เรื่องภิกษุชื่อจุลาสาวรีพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบสัตวิวิหาริกของพระสารีบุตรชื่อจุลาสาวรีดังได้สดับมาพระจุลาสาวรีนั้นทำเวชกรรมแล้วได้โภชนาอันประณีตแล้วนำออกแจกจ่ายพระเทระทั้งหลาย เข้าใจว่าเวชกรรมคือยาหรืออาหารบำรุงกำลังพระเทราทั้งหลายฟังคำแล้วก็นิ่งเฉยหลีกไปภิกษุทั้งหลายนำความกราบทูลพระสาสดาทรงตรัสว่าอันบุคคลไม่มีความละอายกล้าเพียงดังกามักแล่นไปเพื่อเอาหน้าเป็นผู้ขนองเศร้ามองเป็นอยู่โดยง่าย ส่วนบุคคลผู้มีความละอายผู้สแสวงหากรรมอันสะอาดเป็นนิดไม่หดหูไม่ขนองมีอาชีวะหมดจดยอมเป็นอยู่ยากอธิบายคำว่าผู้ไม่มีความละอายเพราะตั้งอยู่ในอเนสนาคือมิจฉาอาชีวะมีการสแสวงหามิชอบ21อย่างเช่นอาจเรียกหญิงผู้ไม่ใช่มารดาว่ามารดา เรียกชายทั้งหลายผู้ไม่ใช่บิดาว่าบิดาเป็นการประจบญาติโยมเพื่อหวังลาบสการลาบเป็นต้นย่อมเป็นอยู่โดยยากกล้าเพียงดังกาเพราะกาจับณที่ไหนก็คาบวัตถุในเรือนนั้นไปหลงคาบเอาอาหารเต็มปากจากภาชนะแล้วบินหนีไปมักแล่นไปเพื่อเอาหน้า เพราะทำกิจสักว่าธทรรมให้ผู้อื่นรู้เห็นว่าตนทำแล้วก็ทิ้งไม่รับผิด ช, ชอบสําคัญตนให้ผู้อื่นคิดว่าตนสําคัญแล้วมาประคับประคองผู้มีความละอายได้แก่บุคคลที่สแสวงหาปัจจัยโดยชอบธรรมไม่สแสวงหาโดยไม่ชอบรรมบินธบาตตามลําดับตรอกสําเร็จชีวิตอย่างเศร้าหมอง คือสมถะพอเพียงไม่หดหูด้วยความเป็นไปแห่งชีวิตเห็นอาชีวะหมดจดย่อมเป็นอยู่ยากด้วยอำนาจแห่งความเป็นอยู่ที่เศร้าหมองไม่ประนีตในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิพลเป็นต้นดังนี้แหละ